ทบทวนตามลำดับยานบางท่านไม่ได้พบกับพญายานอาทิวณยานนิพพิทายา น, น, ายานและมุญจิตุกรรมยตาญาณเป็นเวลานานจึงอาจเข้าใจยานเหล่านั้นไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าท่านต้องการจะยังเห็นอย่างชัดเจนก็ควรอธิษฐานให้เกิดยานทีละอย่างเช่นถ้าอธิษฐานว่า เราจะกำหนดความเกิดดับเท่านั้นภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี้ขออุทัพยายานจงปรากฏเมื่อเป็นดังนี้อุทภพยายานจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่บรรลุญาณขั้นสูงกว่านี้ภายในเวลาที่อธิษฐานไว้เมื่อครบเวลาที่อธิษฐานแล้วพังขยานที่ยังเห็นความดับไปอย่างเดียวจะปรากฏต่อจากนั้น ถ้าพังคยานไม่เกิดเองก็ควรอธิษฐานว่าเราจะยังเห็นความดับเท่านั้นขอพังคยานจงปรากฏพังคยานก็จะปรากฏตามที่อธิษฐานไว้เมื่อครบเวลาแล้ววิปัสสนาญาณขั้นสูงกว่านี้ย่อมปรากฏต่อไปพึงทราบในนี้แม้ในวิปัสสนาญาณถัดไปอย่างไรก็ตาม ถ้าวิปัสสนาญาณขั้นสูงไม่ปรากฏเมื่อพังขยานแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจไปว่าขอพยายญาณที่ยังเห็นความน่ากลัวจงปรากฏพยายญาณก็ย่อมปรากฏในเวลานั้นเมื่อพยายญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขออาทิวณญาณที่ยังเห็นโทษจงปรากฏอารทิวณญาณย่อมมาปรากฏ โดยให้เห็นโทษในทุกขณะของการกำหนดรู้เมื่ออาทีวัยาณมีกําลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอนิพพิทายานที่ยังเห็นความเบื่อหน่ายจงปรากฏนิพพิทายานย่อมมาปรากฏในเวลานั้นเมื่อนิพพิทายานมีกําลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอ มูลจิตตุกรรมยตายานที่ต้องการพ้นไปจากสังขารจงปรากฏมุลจิตตุกรรมยตายานย่อมมาปรากฏในเวลานั้นเมื่อมุลจิตตุกรรมยตายานมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอปฏิสังขายาณที่ยังเห็นโทษจงปรากฏ ปฏิสังขารยานก็ย่อมปรากฏพร้อมกับทุกขเวทนาที่ทนได้ยากเกิดความต้องการจะเปลี่ยนเอริยาบทหรือการปฏิบัติที่ไม่ได้ดั่งใจเมื่อปฏิสังขารยานมีกำลังแก่กล้าแล้วก็ควรน้อมใจว่าขอสังขารุ่เปกขายานที่วางเฉยในสังขารโดยลักษณะที่ละเอียดเบาบางจงปรากฏ สังขารุเปกขายานย่อมมาปรากฏในเวลานั้นโดยประการดังนี้วิปัสสนาญาณขั้นสูงสูงย่อมมาปรากฏภายในกำหนดเวลาที่ได้อธิษฐานไว้หรือปรากฏตามความต้องการในเวลาที่วิปัสสนาญาณที่เกิดก่อนมีกำลังแก่กราขึ้นถ้าผู้บรรลุทมทดลองวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้แล้ว ยังไม่เห็นผลให้พยายามหลายครั้งก็จะเห็นผลเองส่วนผู้ที่มีได้อธิษฐานทบทวนลำดับญาณแต่มีสมาธิแก่กล้าอาจบรรลุสังขารุเปกขาญาณที่กำหนดเพียงสี่ห้าครั้งหรือสิบครั้งแล้วเข้าผลสมาบัติได้ทันทีบางท่าน ที่มีสมาธิมากอาจเข้าผลสมาบัติได้เร็วแม้ในเวลาเดินอยู่หรือรับประทานอาหารได้อีกด้วยการปฏิบัติเพื่อบรลุมรคผลขั้นสูงเมื่อผู้บรรลุธรรมสามารถเข้าผลสมาบัติได้เร็วและดำรงอยู่ได้นานแล้ว ต้องการจะบรรลุมรคผลขั้นสูงพึงปฏิบัติต่อไปโดยกำหนดระยะเวลาที่ต้องการจะปฏิบัติแล้วอธิษฐานว่าภายในระยะเวลานี้เราจะไม่เข้าผลสมาบัติขอผลสมาบัติจงปรากฏและขอเราจงบรรลุมรคผลขั้นสูงแล้วกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและใจต่อไป การกำหนดระยะเวลามีประโยชน์ให้สามารถเข้าผลสมาบัติได้เมื่อล่วงเลยระยะเวลานั้นแล้วก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมขั้นสูงได้ผู้บรรลุธรรมอาจอธิษฐานว่าจากวันนี้ไปจะขอปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลขั้นสูงเท่านั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ทั้งยังไม่อาจเข้าผลสมาบัติได้ ทำให้ไม่พอใจผลการปฏิบัติของตนการตัดความมีเยื่อใยในผลสมบัติโดยตั้งใจว่าจะขอไม่เข้าผลสมบัตินี้เป็นไปเพื่อไม่ให้บรรลุผลสมบัติภายในเวลาที่กำหนดไว้เพราะถ้ายังมีเยื่อใยในผลสมบัติอยู่ก็อาจจะทำให้ข้อผลสมบัติได้อีกและ ไม่สามารถบรรลุมรคผลขั้นสูงดังนั้นผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรคผลขั้นสูงจึงควรตัดเยื่อใยในผลสมาบัติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วปรารบความเพียรต่อไปแนวปฏิบัติและการอย่างเห็นด้วยปัญญาในสกทาคามิผล ในขณะปฏิบัติธรรมวิปัสนายานย่อมปรากฏตามลำดับเหมือนเดิมตั้งแต่ขั้นอุทัพย า, ยานเป็นต้นไปโดยลำดับยานเกิดขึ้นเหมือนในเวลาเดิมที่ปฏิบัติเพื่อบรุ้มมักเพราะถ้าปฏิบัติเพื่อเข้าผลสมาบัติก็มักบรรลุสังขารุเปกขายานได้ง่ายแล้วเข้าผลสมาบัติได้ แต่ในขณะปฏิบัติเพื่อบรุมักต้องดำเนินไปตามลำดับอุทพยายานที่ยังเห็นความเกิดดับก่อนทำให้พบเห็นแสงสว่างหรือนิมิตอารมณ์มีทุกขเวทนาและความเกิดดับของรูปนามปรากฏชัดเจนอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวย่อมปราศจากความลำบากในการปฏิบัติเหมือนผู้ยังไม่ได้บรุธรรม เขาอาจบรรลุถึงวิปัสนาญาณขั้นต่างๆแล้วบรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณได้ภายในวันเดียวสติที่กำหนดรู้มีความชัดเจนกว่าเดิมปัญญาอย่างเห็นมีความชัดเจนแจ่มใสนอกจากนั้นสภาวะของญาณเหล่านี้คือความกลัวทุกข์ในสังสารวัฏการเห็นโทษ ความเบื่อหน่ายความต้องการจะหลุดพ้นและความถอยกลับจากกระแสรูรปนามมักปรากฏชัดเจนมากกว่าเดิมถ้าวิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งสามารถบรรลุมรรคผลชั้นสูงได้ก็อาจบรรลุสังขารุปเปกขายานและอยู่ในญาณ น, นี้นานหนึ่งวันสองวันสามวันหรือนานนับเดือนนับ เมื่อวิปัสนาญาณแก่กล้าเพียงพอแล้วสติที่ว่องไวปรากฏชัดเจนย่อมเกิดขึ้นเขาข้ามไปสู่พระนิพพานที่ดับสังขารได้เหมือนก่อนแล้วบรรลุมรรคญาณและผลญาณที่สองหลังจากนั้นจึงพิจารณามรรคผลนิพพานและกิเลสตามสมควรจากนั้นแล้วอุทัพพยายญาณที่ยังเห็นความเกิดดับ และลำดับจิต ท, ที่ผ่องใสเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นต่อไปแนวปฏิบัติและการยังเห็นด้วยปัญญาในอนาคามิผลผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลลำดับที่สามควรกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม แล้วตัดความมีเยื่อใยในการเข้าผลสมาบัติควรอธิษฐานว่าขอให้คุณธรรมพิเศษคือมรรคผลขั้นสูงที่เรายังไม่ได้บรรลุจงปรากฏขอจงอย่างเห็นมรรคผลขั้นสูงเถิดแล้วกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและใจที่ปรากฏในปัจจุบันขณะเข้าย่อมบรรลุวิปัสสนาญาณต่างๆ มีอุทภพย า, ยานเป็นต้นตามลำดับแล้วไม่นานนักก็บรรุถึงสังขารุเปขายานถ้ากำลังสมาธิและปัญญายังไม่แก่กล้าก็จะดำรงอยู่ในยานนั้นถ้ากำลังดังกล่าวแก่กล้าแล้วย่อมบรรลุพระนิพพานที่ดับสังขารได้เหมือนก่อนแล้วบรรลุมรขยาน และผลยาลำดับที่สามการพิจารณาการกำหนดรู้และความผ่องใสแห่งใจย่อมปรากฏเหมือนในก่อนแนวปฏิบัติและการอย่างเห็นด้วยปัญญาในอรหัตผลผู้ที่ต้องการจะบรรลุมรผลลำดับที่สี่ ควรกำหนดระยะเวลาตัดเยื่อายและอธิษฐานเหมือนเดิมแล้วกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและใจในปัจจุบันขณะตามปกติไม่ต้องเพียรปฏิบัติเป็นพิเศษเพราะในมหาสติปัฐานสูตรได้กล่าวว่าสติเป็นทางสายเดียวแห่งความหลุดพ้นเขาย่อมบรรลุวิปัสสนาญาณต่างๆมีอุทพพยญาณเป็นต้น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 คำที่กล่าวมาก่อนว่ามรรยาและผลญาญย่อมเกิดขึ้นระบุถึงบุคคลผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมพอจะบรรลุธรรมได้ส่วนบุคคลที่บารมียังไม่เต็มก็จะหยุดอยู่ในระดับสังขารุปเปกขายานผู้ที่บรรลุมรรคผลที่หนึ่งแล้วมรบรรลุมรรคผลที่สองได้ง่ายแต่บรรลุมรรคผลที่สามได้ยาก เพราะพระโสดาบันและพระสกทาคามีเป็นผู้ประพฤติศีลอย่างบริบูรณ์ดังพระพุทธพจน์ว่าศีเลสุปริปูรการีผู้ประพฤติศีลอย่างบริบูรณ์แต่พระอนาคามีเป็นผู้เจริญสมาธิอย่างบริบูรณ์ดังพุทธพจน์ว่าสมาธิสมิง บริปูราการีผู้จเจริญสมาธิอย่างบริบูรณ์ดังนั้นผู้ที่มีสมาธิยังไม่บริบูรณ์จึงบรรลุมรรคผลที่สามได้ยากอย่างไรก็ตามหากไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่อาจรู้ว่าตนมีบารมีสุขงอมพอจะบรรลุมรรคผลได้หรือไม่นอกจากนั้น มีหลายท่านที่ต้องปฏิบัติธรรมนานหลายเดือนหลายปีจึงจะบรรลุธรรมได้ผู้ที่ไม่อาจบรรลุธรรมภายในเวลาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนจึงยังไม่ควรกล่าวว่าตนไม่มีบารมีเพียงพอความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันเป็นการอบรมบารมีที่ยังไม่สุกงอมให้สุกงอมได้ในปัจจุบั น, นชาติดังนั้น จึงไม่ควรคำนึงถึงบารมีเก่าของตนที่แท้แล้วการไม่ปฏิบัติธรรมเป็นการไม่สร้างบารมีและแม้จะมีบารมีเก่าเพียงพอก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ส่วนผู้มีบารมีแล้วย่อมสามารถบรรลุธรรมในภพนี้ได้โดยง่ายหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบารมี เพื่อการบรรลุธรรมในภพต่อไปเมื่อผู้บรรลุธรรมได้อย่างเห็นอรหัตผลเป็นที่สุดแล้วย่อมพิจารณามรรคผลและนิพพานพร้อมทั้งพิจารณาว่ากิเลสทั้งหมดสงบหายไปและไม่เกิดอีกในการต่อไปเราไม่มีกิจที่ควรทำเพื่อการขจัดกิเลสในมหาสติปัฏฐานสูตร มีข้อความเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเจ็ปีจนถึง7วันแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์และในโพธิราชกุมารสูตรมีข้อความกล่าวถึงการเจริญสติปัฏฐานในเวลาเช้าแล้วได้บรรลุธรรมในเวลาเย็นหรือสติปัฏฐานในเวลาเย็นได้บรรลุธรรมในเวลาเช้า แต่การบรรลุธรรมนั้นต้องอาศัยบารมีแก่กล้าพอสมควรจึงจะทําให้ปัญญาพัฒนาขึ้นจนกระทั่งบรรลุธรรมได้ถ้าบุคคลปราศจากบารมีแล้วย่อมไม่อาจบรรลุธรรมได้เลยดังหลักฐานในคัมภี์อัตถกถาและดีกาว่าหนึ่งถามว่าการบรรลุสัจธรรมย่อมมีได้โดยปราศจากความถึงพร้อม แห่งเหตุเดิมโดยสิ้นเชิงหรือ 2. ตอบว่าหามิได้เพราะการบรรลุสัจธรรมมีได้โดยประศจากความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยเนื่องจากการบรรลุธรรมดังกล่าวเป็นสภาวะธรรมได้ยากและบรรลุได้ยากไม่มีใครกล่าวได้ว่ากุศลจิตที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งเฉพาะวิวัต พระนิพพานที่ตรงกันข้ามกับวัตตะอย่างนี้ไม่มีอุปนิสัยต่อการบรรลุความหลุดพ้นในระหว่างสี่อสงไขยแสนกับ 1. ในเรื่องนั้นการบำเพ็ญปัญญากุศลบา ร, รมีสองอสงไขยและหนึ่งแสนกับที่สมควรแก่ปัจเจกโพธิยานนั้นเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของปัจเจกโพธิยาน 2. การบำเพ็ญปัญญากุศลบารมีอสมขายและหนึ่งแสนกับที่สมควรแก่สาวกโพธิยานนั้นเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของสาวกโพธิยานแห่งพระอัครสาวก 3. การบำเพ็ญปัญญากุศลบารมีแสนกับที่สมควรแก่มหาสาวกโพธิยานนั้นเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของมหาสาวกโพธิยาน 4. กุศลฝ่ายแทงตลอดที่บุคคลกระทำให้เกิดขึ้นประจัก์เวลาที่แน่นอนโดยเนื่องด้วยการอาศัยวิวัฒในชาติก่อนเป็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของปกติสาวกอื่นคำว่าอุปนิสัยในภาษาไทยคือความประพฤติ ท, ที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน ความประพฤติ ท, ที่เคยชินจนเป็นนิสยัยแต่ตามหลักธรรมหมายถึงปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังกุศลฝ่ายแทงตลอดคือกุศลที่ส่งผลให้บรรลุการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจว์่แม้ในคำพีอธธัตกถาจะกล่าวว่าอุปนิสัยคือปัจจัยที่มีกำลังเพื่อการบรรลุธรรมของปกติสาวก จะไม่มีกำหนดแน่นอนก็อนุมานรู้ได้ว่าเวลาบำเพ็ญบารมีของปกติสาวกต่ากว่าแสนกับอันเป็นเวลาบำเพ็ญบารมีของพระมหาสาวกซึ่งควรเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดอนคือระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจำแนกเป็น หนึ่งอสงไขยเช่นระหว่างการอุบัติของพระพุทธเจ้าทีปังกรในกับก่อนและพระพุทธเจ้าโกนทัญญาในกับถัดมานานหนึ่งอสงไขยหลายสิบกับเช่นระหว่างการอุบัติของพระพุทธเจ้าเวสปูในกับก่อนและพระพุทธเจ้ากากูสันทะในพัทระกับนี้นานยีสิบเก้ากับ นับจำนวนปีไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้ากุกุสัน ท, ที่ตรัสรู้เป็นลำดับแรกในพัทระกับนี้ทรงอุบัติในสมัยที่มนุษย์มีอายุยาวสี่0มืปีต่อมาอายุมนุษย์ได้เสื่อมลงจนเหลือเพียงสิบปีแล้วกลับมีอายุยาวขึ้นไปอีกถึงหนึ่งอสงไขยจากนั้น เมื่ออายุมนุษย์ถอยเสื่อมลงจนมีอายุสามหมื่นปีพระพุทธเจ้าโกนาคมจึงอุบัติขึ้นแม้ระหว่างพระพุทธเจ้าโกนาคมกับพระพุทธเจ้ากัสปะและระหว่างพระพุทธเจ้ากัสปะกับพระพุทธเจ้าโคตมะก็นับจำนวนปีไม่ได้เช่นเดียวกันในเถรคาถาเถรีคาถาและอปะทาน มีข้อความกล่าวถึงเรื่องการสร้างบา ร, รมีของปกติสาวกที่บรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทำให้ทราบว่าท่านเหล่านั้นได้ร่วมสร้างบา ร, รมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะหรือในช่วงระยะเวลาพระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วและก่อนที่จะถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นอย่างน้อยเช่น พระธรรมมรุจิยะสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนกับพระจุลวัชชะและพระมหาวัชชะสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามุทุพุตตะที่อุบัติขึ้นในแสนกับก่อนถึงพัฒกับนี้พระศีตวนิยะและพระนววัชชะสร้างบารมี ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอัฏฐทัตสีที่อุบัติขึ้นในพันแปดกับก่อนถึงพัทระกับนี้พระศีตวานิยะและพระนวะวัชชะสร้างบรารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอัฏฐทัตสีที่อุบัติขึ้นในพันแปดกับก่อนถึงพัทระกับนี้พระวีระ และพระปุณณะมาสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่อุบัติขึ้นในเก้กับก่อนสมณเนนบันทิตะสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะในพัทธกับนี้สมณเนนสุขะสร้างบารมีในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าระหว่างที่พระพุทธเจ้ากัสปะเสด็จดับขันธปริณิพานแล้วและพระพุทธเจ้าโคตมะ ยังไม่ได้อุบัติขึ้นนางเทริกาเทรีสร้างบา ร, รมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมในพัทระกัปนี้นางอภิรูปนันธาสร้างบา ร, รมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่อุบัติขึ้นใน91้กัปก่อนถึงพัทกัปนี้อนาถบินธิกะเศรษฐีนางวิสาขาและจิตตะขะบดี สร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปัทถุมุตตระที่อุบัติขึ้นในแสนกับก่อนโชติกะเศรษฐีเมนทะกะเศรษฐีและชะตินเศรษฐีสร้างบารมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่อุบัติขึ้นใน9 1้กับก่อนอันหนึ่งในอัตถคถาของเถรคถาเทอรีคถาและอปทาน ได้กล่าวถึงอดีตกรรมของภิกษุและภิกษุณีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จํานวนมากโดยระบุถึงการสร้างบา ร, รมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นดังข้อความว่าดังได้สดับมาว่าท่านทําความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญบา ร, รมีอันเป็นอุปนิสัยเพื่อวิวัตในภพนั้นๆ แม้ท่านจะได้กระทำความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆแม้ท่านก็ได้กระทำความตั้งใจไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยเพื่อวิวัตในภพนั้นๆด้วยเหตุนี้การสร้างบารมีทั้งสิบมีทานบารมีเป็นต้นจึงเป็นอุปนิสัยเพื่อการบรรลุธรรม และการเจริญวิปัสนาภาวนาในพบนี้ก็เป็นการสร้างที่มีบารมีหน่วยกิจเพื่อเป็นการบรรลุธรรมในอดีตต่อไปคำเชื้อเชิญสัตบุรุษผู้ปรารถนารถแห่งวิปัสนาที่น่ายินดีในพระศาสนานี้ พึงเจริญสติปัฏฐานภาวนาดังพรนนานามาชนี้คำแนะนำวิธีเจริญวิปัสสนาที่แสดงในคำพีนี้ย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีปัญญาปานกลางบุคคลดังกล่าวได้ศึกษาคำพีนี้แล้วภาคเพียรปฏิบัติด้วยศรัทธาฉันทะ วิริยะที่ไม่ยออ่อท้ออาจสา ม, มารถบรรลุวิปัสนาญาณมัคคายา น, ยานและผลญาณตามที่กล่าวไว้ในที่นี้อย่างไรก็ตามในที่นี้ไม่อาจกล่าวถึงประสบการณ์และการอย่างเห็นด้วยปัญญาที่ปรากฏแก่ทุกคนได้แม้ประสบการณ์ดังกล่าวไว้ในที่นี้ก็ไม่มีใครพบเห็นทุกประการได้ เพราะปัญญาย่อมเกิดขึ้นชัดเจนหรือไม่ชัดเจนได้ตามควรแก่บารมีของผู้ที่ปรารบความเพียนอีกทั้งศรัทธาฉันทะและวิริยะในขณะปฏิบัติธรรมก็มีได้มั่นคงอยู่เสมอผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยปราศจากวิปัสนาจารย์คอยแนะนำอาจต้องคลาทางปฏิบัติไปเพราะยังเกิดความสงสัยเหมือนกับคนที่เดินทางไปคนเดียว ในหนทางที่ไม่เคยไปคนทั่วไปที่ไม่รู้คนทั่วไปที่ไม่มีผู้สอนวิปัสนาจึงยากที่จะบรรลุวิปัสนาญาณมัคคยา น, ยานและผลลยานโดยสะดวกด้วยเหตุนี้สัตบุรุษผู้ต้องการจะบรรลุพระนิพพานด้วยมัคคยานและผลลยานจึงควรสแสวงหาวิปัสนาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งผ่านการปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างดีและสามารถแนะนำให้บรรลุวิปัสนาญาณขั้นต่างๆจนบรรลุมัรคยานผลญาณปัจเจเวคขณะญาณและการเข้าผลสมบัติดังข้อความในสังยุตติกายนิทานวักว่าดูกร ะ, ระภิษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชารลามรณนะตามเป็นจริง พึงสแสวงหาครูเพื่อความรู้ในชรามรณะตามเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมควรลดมานะที่ถือตัวว่าเราเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากบุคคลอื่นโดยระลึกถึงพระโปตทิละเป็นตัวอย่างดูเรื่องพระโปตธิละในวิปัสนาในเล่มหนึ่งหน้าที่215แม้ในเวลาปฏิบัติธรรม ก็ควรภาคเพียรปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อตามพระพุทธดำรัสว่าพระนิพพานที่ปลดเปลื้องเครื่องร้อยรัตทุกอย่างนี้จะบรรลุความเพียรที่ย่อหย่อนด้วยความบากบั่นเพียงเล็กน้อยหาได้ไม่ดังนั้นผู้หวังความพ้นทุกข์จึงควรเพียรปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ย่อท้อจึงจะได้รับผลแห่งความเพียรอันเป็นนิพพานสุขที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง